เริพรท่านผู้มีจิตศรัทธามีจิตฝ่ายบุญฝ่ายกุศลทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่8กรกฎาคมพุทธศักราช2550เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้มาวัดเพื่อมาพัฒนา จิตใจให้ดีขึ้นให้เจริญขึ้นตลอดเวลาห้าหกวันของอาทิตย์ที่ผ่านมาท่านก็ใช้เวลากับการพัฒนาทางด้านอื่นคือพัฒนาการธรรมหากินของเรา ให้มีรายได้มากขึ้นแล้วก็พัฒนาความสุขของเราให้มีมากขึ้นไปด้วยด้วยการซื้อข้าวของต่างๆไม่ว่าจะเป็นบ้านจะเป็นรถจะเป็นเสื้อผ้าเครื่องใช้ไม่สอยอะไรต่างๆเหล่านี้เรียกว่าเป็นการพัฒนา อย่างหนึ่งการพัฒนานั้นเรามีความจำเป็นต้องพัฒนาทั้งภายนอกและภายในภายนอกก็ดังที่ได้พูดไว้เราก็ต้องมีสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีพเราก็ต้องมีความสุขจากการได้ดูได้ฟังได้รับประทาน ของสิ่งต่างๆอาหารต่างๆที่เราชอบรับประทานกันแต่วันนี้เรามาพัฒนาทางด้านจิตใจพัฒนาภายในใจให้ใจของเรานั้นมีความเจริญมีความสุขมากขึ้นเช่นเดียวกันการพัฒนาของภายนอกและภายในนั้น มีความแตกต่างกันการพัฒนาภายในเป็นการพัฒนาที่แท้จริงส่วนการพัฒนาภายนอกนั้นเป็นการพัฒนาที่ไม่ถาวรที่มีความจำเป็นเฉพาะในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้ตราบใดที่เรายัง มีลมหายใจเราก็ต้องพัฒนาภายนอกแต่หลังจากที่เราตายแล้วเราก็ต้องอาศัยใจของเราพาเราไปสู่พบหน้าชาติหน้าต่อไปถ้าใจของเราได้รับการพัฒนาในขณะที่เรามีชีวิตอยู่อย่างเช่นวันนี้เราได้มาพัฒนาใจของเรา ถ้าได้รับการพัฒนาอยู่เรื่อยๆใจของเราก็จะสูงขึ้นดีขึ้นมีความสุขมากขึ้นและจะพาให้เราได้ไปเกิดที่ดีกว่าที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ดัง น, นั้นเราจึงไม่ควรมองข้ามการพัฒนาจิตใจของเราควบคู่กับการพัฒนา สิ่งต่างๆภายนอกเช่นสมบัติเข้าของเงินทองหรือวิชาความรู้ที่เราจะใช้ในการประกอบอาชีพต่างๆถ้าเราเป็นเด็กเช่นเด็กนักเรียนอรุ่นโนทยัยที่วันนี้คุณครูได้พามาพัฒนาจิตใจ ในช่วงวันจันถึงวันศุกร์ก็ต้องพัฒนาทางวิชาความรู้ต้องไปโรงเรียนเพื่อเรียนหนังสือเพื่อจะได้มีวิชาความรู้เป็นเครื่องมือในการประกอบสัมมาอาชีพต่อไปถ้าไม่มีความรู้ก็จะไม่สามารถประกอบอาชีพที่ดี ที่สบายได้เช่นถ้าไม่ได้เรียนหนังสือเวลาโตขึ้นไปทํางาน<ม>ก็จะไม่สามารถไปทํางานตามบริษัทนั่งโต๊ะเขียนหนังสือใช้เครื่องคอมหรือสั่งงานสั่งการผู้อื่นได้ต้องไปทํางานที่ใช้แรงงานที่ไม่ต้องใช้วิชาความรู้ เช่นไปเป็นพานโรงไปเป็นคนสวนไปเป็นคนรับใช้ทำความสะอาดในบ้านเรือนซักเสื้อผ้าให้กับคนอื่นเพราะไม่มีความรู้นั่นเองแล้วก็รายได้ที่ได้ก็จะแตกต่างกันคนที่ไม่มีความรู้ เวลาไปทํางานก็จะได้รายได้ขั้นต่ําเป็นอย่างมากวันละร้อยส0งบาทเท่านั้นเองแต่ถ้าได้เรียนหนังสือจบชั้นสูงสูงจบป ร, ริญญาถ้าได้สูงเท่าไหร่เวลาทํางานก็จะได้เงินเดือนมากขึ้นไปเท่านั้นได้เดือนเป็นหมื่นเป็นแสนได้ อย่างสบายดังนั้นในเรื่องต้นถ้าเรายังไม่ได้พัฒนาภายนอกเราก็ต้องทาเราต้องพัฒนาภายนอกให้พอเพียงเสียก่อนถ้าเราเป็นเด็กนักเรียนนักศึกษาเราก็ต้องหมั่นไปโรงเรียนหมั่นเรียนหนังสือมีความตั้งใจเวลาอยู่ในห้องเรียน ก็ไม่เล่นกันไม่พูดไม่คุยกันตั้งใจฟังเวลาคุณครูสอนอะไรพยายามตั้งใจฟังให้ดีแล้วพยายามจดจำเอาไว้คุณครูให้การบ้านกลับไปทำที่บ้านเมื่อกลับไปถึงบ้านก็รีบทำการบ้านก่อนอย่าไปเล่นอย่าไปทำอย่างอื่นทำการบ้านให้เสร็จเรียบร้อย แล้วค่อยไปทำอย่างอื่นต่อไปถ้าไม่เล่นได้ก็ดีมีเวลาว่างก็ช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานมีงานอะไรในบ้านพอที่จะช่วยได้ก็ช่วยอย่างน้อยก็ดูแลส่วนของเราให้เรียบร้อยถ้าเรามีห้องนอนของเราเองก็กวาดถูห้องนอนของเราจัด สิ่งต่างๆที่อยู่ในห้องให้เรียบร้อยถ้ามีเสื้อผ้าที่เราพอจะซักเองได้ก็ซักกันถ้ามีถ้วยชามพอที่จะช่วยคุณแม่ล้างถ้วยล้างชามได้ก็ควรจะทำกันเพราะเป็นการกระทำที่จะพัฒนาจิตใจของเราควบคู่ไปกับการ พัฒนาวิชาความรู้เมื่อเราเรียนจบแล้วเราก็จะได้เอาวิชาความรู้นี้ไปทำงานทำการต่อไปเมื่อเราทำงานเราก็ต้องมีความตั้งใจมีความขยันในการทำงานและต้องทำด้วยความซื่อสัตย์สุจริตคือไม่โกเวลา เวลาที่เราไปทำงานเขาจ้างให้เราไปทำงานเขาไม่ได้จ้างให้เราไปอ่านหนังสือพิมพ์ไปดื่มกาแฟหรือไปทำธุรกิจส่วนตัวเขาจ้างไปให้ทำงานให้กับบริษัทเราก็ต้องมีความซื่อสัตย์ต้องทำงานให้เขาเต็มที่ถ้าเราไม่ทำงานอย่างเต็มที่ใช้เวลาของบริษัท ไปทำงานแสวงหาผลประโยชน์ของตัวเราเอง mm hmm. ก็เท่ากับการประพฤติ ท, ทุจริตมิชอบ mm hmm. เป็นการลักขโมยหรือเป็นการช่อกโก mm hmm. ซึ่งเป็นการกระทาง mm hmm. ที่จะไม่พาให้เราเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน mm hmm. เจ้านายของเราก็เห็นเราทำงานแบบนี้ เขาก็ไม่อยากที่จะส่งเสริมไม่อยากที่จะเลื่อนเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งให้ไม่อยากที่จะเพิ่มเงินเดือนให้เพราะไม่ได้ทำ ง, งานเต็มที่นั่นเองแต่ถ้าเราเป็นคนขยันตั้งหน้าตั้งตาทำ ง, งานทำการอย่างเต็มที่เวลาไปทำ ง, งานก็ไปก่อนเวลาทำ ง, งานเวลาเลิกงานก็ ออกจากบริษัทหลังจากที่เวลาเลิกงานผ่านไปแล้วถ้าเราทําอย่างนี้รับรองได้ว่าชีวิตการทำงานทําการของเราจะเจริญก้าวหน้าเราจะมีรายได้เข้ามาเพื่อที่เราจะได้เอาไปใช้จ่ายต่อไปการใช้จ่ายก็ต้องรู้จักใช้คือเราต้องแบ่ง รายจ่ายรายรับของเราไว้เป็นส่วนส่วนส่วนหนึ่งก็ต้องใช้ใจ่ายกับสิ่งที่จำเป็นต่อการํำรงชีพเช่นอาหารค่าใช้ใจ่ายต่างๆค่าน้ำค่าไฟค่าอะไรที่เราต้องใช้อยู่เป็นประจำเราก็ต้องมีไว้ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งเราก็ต้องมีเอาเก็บไว้เพื่อที่จะได้ เป็นสำรองเวลาที่เราตกงานลืมเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายไม่สามารถไปทำงานได้เราจะได้มีเงินสำรองไว้ดูแลตัวเราแล้วอีกส่วนหนึ่งก็ให้แบ่งไว้สำหรับทำบุญทำทานสำหรับเป็นการช่วยเหลือผู้อื่น หรือตอบแทนบุญคุณผู้ที่มีพระคุณกับเราเช่นคุณพ่อคุณแม่ครูบาอาจารย์ของเราเราควรที่จะลำเลึกถึงพระคุณอันประเสริฐของท่านเสมอเพราะถ้าไม่มีคุณพ่อคุณแม่เราก็เกิดมาไม่ได้เราจะเป็นตัวตนอย่างที่เราเป็นอยู่กันวันนี้ไม่ได้ เราจะไปโรงเรียนเรียนหนังสือกันก็ไปไม่ได้เพราะเราไม่มีเงินที่จะจ่ายข้าวเล่าเรียนทุกวันนี้ที่เราสามารถทำอะไรได้ mm. ก็เป็นเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เป็นผู้สนับสนุนให้เงินให้ทองกับเราเราอยากจะเรียนหนังสือท่านก็ส่งเราไปโรงเรียนเราต้องการซื้อเสื้อผ้าชุดนักเรียนใส่เราคุณพ่อคุณแม่ก็ซื้อให้ ต้องการอะไรต่างๆมีแต่คุณพ่อคุณแม่เท่านั้นที่ดูแลเราเราจึงต้องสำนึกถึงบุญคุณอันประเสริฐของคุณพ่ อ, อคุณออแม่นี้เพราะถ้าไม่มีท่านคอยดูแลเราแล้วเราจะตกทุกข์ยากลำบากไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรจะไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้อาจจะไปเป็นเด็กขายพวงมาลัย อยู่ตามสี่แยกหรืออาจจะเป็นเด็กขอทางอยู่ข้างถนนก็ได้เพราะคุณพ่อคุณแม่ของเด็กเหล่านั้นเขาไม่มีปัญญาที่จะเลี้ยงดูที่จะส่งเสียให้เราได้เรียนหนังสือให้ได้อยู่อย่างสุขอย่างสบายนี่คือพระคุณของคุณพ่อคุณแม่ที่เราควรจะตระหนัก ล้ำลึกถึงอยู่เสมอถ้าเรายังไม่มีรายได้เราก็ควรที่จะแสดงความกตัญญูด้วยการแสดงความเคารพนับถือต้องกราบพ่อกราบแม่อยู่เสมอเวลาจะไปจะมาก็ต้องยกต้องไหว้ต้องบอกพ่อบอกแม่ก่อนเช่นอยากจะไปข้างนอกบ้านก็ต้องขออนุญาตคุณพ่อคุณแม่ก่อน เมื่อกลับมาแล้วก็ต้องไปรายงานตัวให้คุณพ่อคุณแม่ได้ทราบว่าได้กลับมาแล้วแล้วก็ต้องเชื่อฟังคำสั่งสอนของคุณพ่อคุณแม่ท่านสอนให้เราทาอะไรเราก็ควรจะทำท่านห้ามไม่ให้เราทำอะไรเราก็ควรที่จะไม่ทำตามที่ท่านห้ามไว้เพราะท่านเป็นผู้ที่มีอายุมากกว่าเรา ท่านเกิดก่อนเราท่านผ่านโลกมามากกว่าเราท่านรู้ผิดรู้ถูกรู้ดีรู้ชั่วมามากกว่าเราท่านจึงไม่อยากให้เราต้องไปรับเคาะกันเหมือนกับที่ท่านเคยได้รับมาท่านไม่อยากให้เราต้องเสียเวลากับชีวิตที่มีคุณค่าท่านจึงต้องคอยสอนคอยห้างเรา ถ้าเราเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่แล้วเราก็จะอยู่อย่างเป็นสุขและจะเจริญก้าวหน้าและจะทำให้คุณพ่อคุณแม่มีความสุขตามไปด้วยนี่ก็เป็นการแสดงความระลึกถึงบุญคุณแสดงการตอบแทนบุญคุณของคุณพ่อคุณแม่ถ้าต่อไปเมื่อเราโตแล้วมีเงินทองเราก็แบ่งเงินส่วนหนึ่งเอาไว้ ตอบแทนบุญคุณของคุณพ่อคุณแม่มีอะไรพอที่จะซื้อให้ท่านได้ก็ซื้อให้ท่านไปแล้วถ้าท่านมีอายุมากมีไม่มีความสามารถที่จะดูแลตัวของท่านได้ก็เป็นหน้าที่ของพวกเราที่จะต้องเลี้ยงดูท่านต่อไปต่อไปเวลาท่านมีอายุมากๆท่านก็จะเป็นเหมือนเด็กเป็นเหมือนเราไม่ ทำอะไรเองไม่ได้เพราะร่างกายจะชราภาพจะไม่สามารถทาอะไรต่างๆได้ด้วยตนเอง <_ d ose> ก็ต้องเป็นหน้าที่ของพวกเราที่จะต้องคอยดูแลเลี้ยงดูท่านต่อไปนี่คือการปฏิบัติกับบิดามารดาส่วนคุณครูที่โรงเรียนก็เช่นกันเราก็ต้องให้ความเคารพต้องเชื่อฟัง คำสั่งสอนของคุณครูว่าคุณครูนี้มีแต่ความปรารถนาดีมีแต่ความรักกับลูกศิษย์ลูกหามแีแต่การเสียสละแทนที่จะไปทํางานทําการในอาชีพอื่นที่จะได้เงินทองมากกว่าการเป็นครูท่านก็ยอมเสียสละเพราะท่านมีจิตเมตตา ท่านมีสัมชาติยานของผู้เสียสละอยู่ในจิตใจใจของท่านท่านจึงรับที่จะอบรมสั่งสอนพวกเราเพื่อให้พวกเรานั้นได้เจริญก้าวหน้ามีวิชาความรู้เพื่อจะได้เป็นที่พึ่งต่อไปคุณครูบาจานี้เขาเปรียบไว้ว่าเหมือนเป็นคนพายเรือจ้าง สมัยก่อนนี่เวลาเราจะข้ามแม่น้าข้ามคลองเราต้องนั่งเรือพายข้ามกันไปสมัยนี้เราไม่มี แ, แม่น้ำนำคลองเรามีมอเตอร์ไซค์รับจ้างแทนถ้าจะเปรียบเทียบก็เหมือนกับคุณครูก็เป็นเหมือนคนขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างพาเราจากสถานที่หนึ่งไปสู่อีกสถานที่หนึ่งแต่ในสมัยโบราณ มีเรือพายรับจ้างเราอยากจะข้ามฟากจากฝั่งนี้ไปฝั่งนั้นเราก็จ้างเรือพายให้พายเราข้ามฟากไปเพราะถึงเปรียบคุณครูว่าเหมือนเป็นคนพายเรือเพราะเป็นผู้พาสิทธิลูกศิษย์ลูกหาจากความโง่เขลาเบาปัญญาจากความไม่มีวิชาความรู้ ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความฉลาดมีปริญญาเพื่อจะได้เป็นที่พึ่งของตนต่อไปดังนั้นเราจึงต้องลำเลึกหรือสำนึกในบุญคุณของคุณครูบาอาจารย์ทั้งหลายอย่าไปคิดว่าท่านเป็นเพียงลูกจ้างของโรงเรียนเพื่อมาสั่งสอนพวกเราเท่านั้นท่านเป็นมากกว่านั้น ท่านเป็นเหมือนคุณพ่อคุณแม่ของเราเพราะเวลาที่เราออกจากบ้านมาโรงเรียนคุณครูนี่เลยจะเป็นพ่อแม่แทนคุณพ่อคุณแม่เพราะคุณพ่อคุณแม่ให้ความไว้วางใจกับคุณครูเราจึงต้องให้ความเคารพเหมือนกับเราเคารพคุณพ่อคุณแม่เราต้องให้ความเชื่อฟังเหมือนกับเราเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่ ถ้าเราปฏิบัติตนอย่างนี้ได้แล้วเราจะเป็นคนดีมีคนยกย่องสรรเสริญเราจะเรียนหนังสือได้ไปสู่ชั้นสูงสูงแล้วต่อไปเมื่อเราออกไปทา ง, งานทำการทำมาหากินเราก็จะมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานเราจะร่ำรวยเราจะมีความสุข ว่าเราจะมีเงินเอาไปซื้อเอาไปใช้กับอะไรต่างๆที่เราต้องการแต่ความร่ำรวยความที่มีความสามารถที่จะใช้เงินใช้ทองซื้ออะไรก็ได้มานั้นก็ยังไม่ได้ให้ความสุขเท่าที่ควรเพราะยังมีความสุขที่ดีกว่าถ้าเปรียบเป็นเหมือนอาหาร ก็คือเป็นอาหารที่แท้จริงความสุขที่ดีกว่าจากการที่เราได้เงินได้ทองได้ใช้เงินได้ใช้ทองซื้อข้าวของต่างๆก็คือความสุขที่เกิดจากการพัฒนาจิตใจของเราให้ดีขึ้นให้สูงขึ้นถ้าเปรียกเป็นอาหารความการพัฒนาภายนอกก็เป็นเหมือนขนม ของหวานต่างๆที่เรารับประทานแล้วเราก็มีความสุขแต่ถ้าเรารับประทานอาหารอย่างขนมอย่างเดียวไม่รับประทานอาหารด้วยร่างกายก็จะไม่สบายได้เพราะขนมนี้ไม่เพียงพอต่อการดูแลร่างกายของเรากินขนมมากเกินไปก็จะทำให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยได้ เราต้องกินอาหารด้วยกินข้าวกินกับกินผ ล, ลไม้อะไรต่างๆฉันใดอาหารที่เรารับประทานให้กับร่างกายนี้ก็เป็นเหมือนกับการพัฒนาทางจิตใจคือการทำความดีต่างๆเช่นวันนี้เรามาทำความดีด้วยการทาบุญตักบาตรถวายอาหารถวายข้าวของต่างๆ มารักษาศีลและเว้นจากการกระทำบาป ท, ทั้งหลายเช่นละเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตรักทรัพย์ประพฤติผิด ต, ตวัวเอีพูดปดมดเทศเสพสุรายาเมาและฟังเทศฟังธรรมเพื่อหาวิชาความรู้ที่จะมาพัฒนาจิตใจของเราให้ดีขึ้นให้สูงขึ้นให้มีความสุขมากขึ้น ให้มีความทุกข์น้อยลงนี่คือเป็นอาหารที่แท้จริงสำหรับจิตใจของเราสาหรับตัวเราถ้าใจของเราได้รับการพัฒนาแล้วชีวิตของเราก็จะเป็นสมดุลคือเราก็มีความสุขกับการใช้เงินใช้ทองจิตใจของเราก็มีความสุขกับการทาความดีกับการศึกษา ความรู้ทางพระพุทธศาสนาเพื่อที่เราจะได้ใช้ความรู้นี้ปฏิบัติกับเหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นต่อไปเพราะศาสนาจะสอนให้เราเตรียมตัวเตรียมใจไว้รับกับเหตุการณ์ที่เราไม่อยากจะรับที่เราไม่อยากจะเจอกันเช่นการทัดภาคจากกันการสูญเสียสิ่งต่างๆ หรือบุคคลต่างๆไปหรือความผิดหวังสิ่งเหล่านี้เราไม่ค่อยอยากจะเจอกันไม่อยากจะพบกันแต่มันก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของเราที่พวกเราทุกคนจะต้องพบกันไม่ช้าก็เร็วสักวันหนึ่งเราก็ต้องจากกันเราไม่อยู่ร่วมกันไปตลอดสักวันหนึ่งเราก็อาจจะต้องผิดหวังกับเรื่องนั้นกับเรื่องนี้ เราอาจจะชอบคนนั้นรักคนนี้แต่เขาไม่รักเราเขาไม่ชอบเราเราก็จะเกิดความผิดหวังได้ทางพระพุทธศาสนาจึงต้องคอยต้องสอนให้เราเตรียมตัวเตรียมใจไว้รับกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นแบบนี้อย่าไปเสียใจกับความผิดหวังเวลาเราไม่ได้อะไรก็บอกว่าไม่เป็นไร เรายังมีชีวิตยอยู่เราหาใหม่ได้เมื่อก่อนเราไม่ได้อยากได้สิ่งนี้เราก็อยู่ได้เราก็มีความสุขได้ตอนนี้เราอยากได้แต่เราไม่ได้ก็ไม่เห็นเป็นอะไรถ้าเราได้มาเราก็ต้องคอยเตือนเราว่าสิ่งต่างๆที่เราอยากได้นะั้นเราอาจจะไม่ได้มาเสมอไป เพราะว่ามันไม่ได้มันไม่มีอะไรแน่นอนในโลกนี้เราต้องเข้าใจว่าเราอยู่ในโลกที่ไม่มีความแน่นอนในโลกที่ไม่ทำให้เราสมหวังไปได้ตลอดเวลาเราต้องฝึกหรือต้องสอนตัวเราให้พร้อมที่จะรับกับความผิดหวังถ้าเราผิดหวังแล้วเรารับได้เราจะรู้สึกเฉยเฉย เราจะไม่เดือดร้อนอะไรแต่ถ้าเราไม่สอนตัวเราเองไม่เตรียมตัวเตรียมใจไว้รับกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นรับกับความผิดหวังรับกับความเสียใจเวลาเกิดเสียใจเกิดผิดหวังขึ้นมาก็จะทุกข์ทรมานใจและจะคิดไปทำในสิ่งที่ไม่ดีบางทีก็ไปประชด ผู้อื่นด้วยการกระทำทำร้ายตัวเองด้วยวิธีการต่างๆไปทำตัวเป็นคนสัมมาเลเทเมาอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้ทำไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรมีแต่จะซ้ำเติมตัวเราให้สุดลงไปมากยิ่งขึ้นให้เสื่อมลงไปมากยิ่งขึ้น แต่ถ้าเราได้ยินได้ฟังพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อยๆที่สอนให้เรารู้ว่าชีวิตของเรานี้ต้องจะต้องเจอกับการพัดพากจากกันสักวันหนึ่งเราอาจจะต้องไปอยู่ที่อื่นไม่ได้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่ของเราเราก็ต้องทาเราก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจไว้ไม่เป็นไรเพราะคนอื่น เขาก็ไม่ได้อยู่กับพ่อกับแม่เขาก็อยู่กันได้อยู่ที่ใจเราเท่านั้นว่าเราจะพร้อมหรือไม่ถ้าเราพร้อมแล้วเราไปอยู่ที่ไหนกับใครก็ได้นี่คือความจริงของชีวิตเราจะต้องมีการจากกันจากสิ่งนั้นไปจากสิ่งนี้ไปจากคนนั้นไปจากคนนี้ไปแต่ในขณะเดียวกันเราก็จะได้พบกับสิ่งนั้นสิ่งนี้ใหม่ ได้เจอกับคนนั้นคนนี้ใหม่เวลาเราได้พบได้เจอเราก็อย่าไปหลงคิดว่าจะต้องอยู่ไปด้วยกันตลอดเราก็ต้องคิดว่าเดี๋ยวก็ต้องจากกันอีกเหมือนกันชีวิตของเราเป็นอย่างนี้มีการจากไปแล้วก็มีการพบกันแล้วก็จากกันไปสลับกันไปอยู่อย่างนี้อยู่เรื่อยๆเราจึงต้องทําความเข้าใจเหมือนกับฝนตกแดดออก ฝนเดี๋ยวก็ตกเดี๋ยวก็หยุดเดี๋ยวก็กลับมาตกอีกเดี๋ยวก็หยุดอีกเราพร้อมที่จะรับกับการตกของฝนเราก็ไม่เดือดร้อนฝนจะตกหรือฝนไม่ตกเราก็ไม่เดือดร้อนอะไรเช่นเดียวกันกับการพบกับการจากกันก็จะเป็นอย่างนั้นถ้าเราพร้อมที่จะพบกับใครก็ได้อยู่กับใครก็ได้พร้อมที่จะจากใครไปก็ได้ แล้วนับรองได้ว่าชีวิตของเราจะไม่วุ่นวายจะไม่สุขจะไม่ทุกข์จะไม่เศร้าโศกเสียใจจะไม่มีการเสียใจจะไม่มีการผิดหวังเนเพราะเราไม่ได้หวังอะไรนั่นเองแต่เราก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ทำอะไรเราก็ทำไปตามความสามารถของเราเราได้อะไรมามากน้อยเพียงไรเราก็ ให้มีความพอใจกับสิ่งที่เราได้มาและพร้อมที่จะเสียสิ่งนั้นไปเมื่อถึงเวลาเช่นวันนี้คุณพ่อคุณแม่ก็ให้เงินให้ทองเรามาแล้วเราก็พร้อมที่จะเอาเงินทองนี้มาซื้อข้าวของมาทำบุญถวายพระเราได้มาแล้วเราก็เสียไปแต่เราเสียด้วยความเพาะด้วยความเต็มใจ เวลาเราเสียอะไรไปด้วยความเต็มใจก็กลายเป็นบุญเป็นกุศลไปทำให้เรามีความสุขมีความสบายใจดังนั้นเราจริงต้องฝึกให้อยู่เรื่อยๆยินดีที่จะเสียเรามีอะไรที่ไม่จำเป็นมีเกินความจำเป็นมีเหลือใช้เห็นเพื่อนเราขาดอะไรพอที่จะแบ่งให้เพื่อนเราได้ก็ให้เขาไป ถ้าเราให้เขาไปแล้วเราจะมีความสุขใจแต่ถ้าเราไม่ให้แล้ว เ, เกิดมันหายไปเราก็จะเสียใจร้องห่มร้องไหง้นี่คือเรื่องความจริงที่ทางศาสนาจะสอนใหเรารู้จักคิดและรู้จักวิธีปฏิบัติกับเหตุการณ์ต่างๆดังนั้นเราจึงต้องพยายาม เรียนคอยฟังอยู่เรื่อยๆคําสอนของครูบาอาจารย์ต่างๆไม่ว่าจะเป็น ค, นคุณครูที่โรงเรียนหรือพระที่สอนเราตามวัดต่างๆพยายามฟังไว้แล้วพยายามเอาไปจดจําเอาไปคิดอยู่เรื่อยๆไปฝึกใจของเราให้พร้อมที่จะรับกับเรื่องราวต่างๆแล้วรับรองได้ว่าเราจะไม่ มีความเสียใจเราจะไม่มีความผิดหวังชีวิตของเราจะดอนไปด้วยความร่มเย็นเป็นสุขมีแต่ความจเจริญก้าวหน้าโดยถ่ายเดียวดังนั้นจึงอยากจะขอฝากเรื่องการพัฒนาทั้งสองส่วนด้วยกันคือพัฒนาภายนอกคือวัตถุเข้าของเงินทองต่างๆและพัฒนาภายในใจ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 ให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญด้วยอายุวั น, นสุขภลระโดยทั่วหน้าการเธอ